วันนี้ก็คืนวันอาทิตย์เนี่ยก็จะศึกษาเกี่ยนเรื่องของพระพุทธคุณกล่าวคือคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าฉะนั้นการศึกษาพระพุทธคุณกล่าวคือคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าตัวสอสองเลขสองการศึกษาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นสิ่งจําเป็นที่เราท่านทั้งหลายจะต้องรู้จักพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างดีใช่ไหมถ้าเราไม่รู้จักพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ดีเนี่ย ก็แปลว่าเรานั้นยังไม่รู้จักคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้กลุ่มบุคคลที่จะรู้จักคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็จะต้องสามารถประลึกถึงคุณของท่านได้อย่างต่อเ น, นื่องก็โดยว่าประสบพบเห็นเหตุการณ์ใด ใ, ในชีวิตเนี่ยก็สามารถปรบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นได้แต่ในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่า ท่านผู้นั้นน่ยสามารถคิดถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างต่อเนื่องได้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยการที่เราท่านทั้งหลายจะมาละลึกถึงคุณของท่านนั้นเนี่ยก็ต้องดูอย่างในพระธรรมคําคสอนที่ท่านสรรเสริญแล้วก็พรรณนาเอาไว้ในการศึกษาพระธรรมคําคสอนในการระลึกหรือนอบน้อมคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเนี่ย ในยาาของพระธรรมคำสอนเนี่ยท่านจะพารณนาไว้ค่อนข้างมากที่พารนาไว้ค่อนข้างมากนั้นน่วะวัตถุประสงค์ก็คือต้องการอยากจะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเห็นคุณของท่านว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระคุณอย่างไรและคุณของท่านนั้นเน่ยนะเกื้อคูลต่อสัตว์โลกมากน้อยเพียงไรเป็นต้นนะเนี่ยที่การระลึกได้นั้นจะทําให้จิตใจของสัตว์โลกนั้นเนี่ย สามารถจะเกิดความปราโมดผ่องใสเกิดปีติปสัสทธิเกิดความสุขเป็นตน้นได้นั่นคือการเรียกถึงคุณของพระพูทมีพระเจา้าทีนี้การที่พระบรมศาสดา ห, หรือพระเจ้าเนยทรงมีพระคุณอย่างกว้างใหญ่อย่างไพศาล น, นั้นน่ยแต่สัตว์โลกทั้งหลายเห็นคุณของพระเจ้านั้นได้นิดหน่อยเพราะพระเจ้าของเราทั้งหลายนั้นผู้ทรงนำพาหมู่สัตว์ที่มีชีวิตไม่ทรงมีสิ่งที่บกพ้องเป็นสิ่งที่เสียหายแน่แท้ มหาเทพผู้ไม่ใช่ของพวกเราผู้นำหมูสัตว์มีชีวิตยังนำความเสียหายออกมาหามามา ก, กันเนะี้ยแต่พระบรมพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้านั้นทรงนำหมูสัตว์อบาลีท่านใช้คำว่าโนนานิโ no, น no เราตัดบทเป็นโนของเราทั้งหลายอนนานะหมูสัตว์ผู้มีชีวิต อ น, นานิผู้ทรงนำพา น, นานิโนก็คือว่าพราะผู้มียภาคเนี่ยทรงนำหมูสัตว์มีชีวิตไปคือ น, นำพาไปเพื่อจะไปบรรลุพระนิพพานตรงเนี้ยเวลาณาจารย์ท่านใช้พยัญชนะนอหนูมาตัด เ, เออมามามาลอยกองเป็นอักษรนออักษรเนี่ยซึ่งซึ่ง ดูแล้วเนี่ยรู้สึกท่านชํานาญในอัดในพยัญชนะมากเนี่ยเหมือนกับว่าโนนานีโนนะณูนันูนานีนานีนานี้นานานี้โนเนี่ยเนี่ยนนานีนานีนุนนายูนันะเนี่ยแล้วก็นานะนันนานะเนนะนนอันนี้เป็นท่านบอกว่าโนนานีโนก็ตัดบทเป็นโนโนเนี่ยคือของเราทั้งหลาย อนนาก็คือหมู่สัตว์ผู้มีชีวิตอนนานี้คือผู้ทรงนำพานานี้หนคือพระพูทธเาก็ทรงนำหมู่สัตว์ที่มีชีวิตไปไปไหนะไปสู่ทางไปสู่อริยมรรคเพิ่อนอริยมรรคก็นำให้บรรลุพรนิพพานทีนี้ส่วนคําว่าณนุเนี่ยไป็นนแน่แท้ก็คือแน่นอนอูนานี้ก็คือสิ่งที่บกพร่อง คือสิ่งที่ไม่เต็มก็จะแก่ที่ไม่บริบูรณ์อนานานานี้ก็คือสิ่งที่เสียหายไม่มีอย่างแน่นอนแด่พระกรุศาสดาของเราทั้งหลายคือของพวกเราเนี่ยพระคุณทั้งปวงถึงพร้อมแล้วตรงนี้ก็คือว่าพระคุณของพระผู้มียพระเจ้าเนี่ยที่ ว, ว่าว่าณเนี่ยไม่ใช่ของพวกเราอานานิโณมหาเทพผู้เป็นใหญ่ของชาวโลกทั้งหลายเนี่ยนำมานำพาหบสัตว์ที่มีชีวิตไปไหมนำ แต่นำพาไปหาสิ่งที่เป็นโทษคือบรรดาหมหาเทพนั้นยังไม่ได้ขับออกแล้วยังไม่ได้บรรเทาแล้วยังไม่ได้ทำให้สิ้นไปแล้วอย่างน่นอนก็หมายความว่าในบรรดาสัตว์ทั้งหลายบางทีเราไปนักถือพระพรหมพิทรอเนี่ยถ้าเหล่านั้นไม่ได้เป็นพวกที่มีกิเลสฉะนั้นท่านพอมีกิเลสนั้นจึงบอกว่าไม่มีการขับความชั่วออกฉะนั้นปากจะเป็นปกติหรือเป็นปากที่กล่าว ในเรื่องของศีลเป็นต้นหรือเทศนาที่เป่งออกจากปากนั้นของบุคคลผู้เป็นใหญ่นั้นที่จะเสมอเหมือนกับพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นใหญ่ของเราทั้งหลายย่อมไม่เออแต่ตรงนี้ก็มาพิจารณาบอกว่าในบรรดากลุ่มบุคคลทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ได้ตัดสู้อย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาจะแนะนําเราอย่างไรก็แล้วแต่ใช่ไหม กระแสจิตของท่านพวกนั้นยังเต็มไปด้วยราคะยังเต็มไปด้วยโทสะยังเต็มไปด้วยโมหะยังเต็มไปด้วยมานะทิฏฐิวิจิกิจามฉะนั้นเมื่อกระแสจิตของท่านเหล่านั้นเต็มไปด้วยราคะโทสะโมหะเวราจิตที่คิดก็เป็นปัจจัยแก่จิตตะชวายโยธาในการที่จะเป่งนี่มั้ยเสียงของท่านเหล่านั้นออกมาจึงเป็นพระธรรมที่เป่งหรือหลังออกมาเป็นธรรมที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งผิดจากพระผู้มีพระเจ้าของเราท่านทั้งหลาย พระ อ, องค์นั้นในตรัสรู้นุตราชสมานสัมโพธิญาณเวลาพระ อ, องค์จะเปล่งวิธามออกมาแต่ละบทแต่ละปยาชนะนั้นจึงสมบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยาชนะและบริสุทธิ์บริบูรณ์เส้นเชิงจริงๆนั้นติ่งต่างๆเราเนี้ยจึงบ่าโอ้คุณของพระผู้ทธมีพระเจ้านั้นหาประมาณมีได้ทีนี้คุณของพระพูทธมีพระเจ้าหาประมาณไม่ได้นั้นเนสัตว์โลกทั้งหลายที่จะเห็นคุณของพระพูทมีพระเจ้านั้นก็มีจํานวนน้อยเนี่ยนะ แต่ในขณะที่มีจำนวน น, น้อยนั้นน่ะแต่ก็ยังนับว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะก็พยายามที่จะคิดให้เห็นคุณของพระพุทธมีพระภาคเจ้าให้ได้ก็เหมือนที่บอกว่าภาษารีบุตรสรรเสริญพระบรมศาสดาไว้ได้เยอะเพราะท่านภาษารีบุตรท่านมีปัญญามากทีนี้การที่ภาษารีบุตรมีปัญญามากเวลาภาษารีบุตรสรรเสริญ คุณของพระผู้มีพระเจ้าท่านก็สรรเสริญได้อย่างคล่องแคล่วตามสติปัญญาของท่านแม้ใจของท่านก็ลึกซึ้งในพระคุณของพระผู้มีพระเจ้าเพราะท่านเห็นธรรมที่พระมีภระเจ้าได้ทรงตรัสรู้ด้วยพระศาสดาผู้มีเสราเสียงไพลราอย่างนี้ได้เสด็จจากพบดุสิตมาสู่ที่ประชุมนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินจากใครๆมาเลยในกาการก่อนหน้านี้ พระส า, ารีบุตรกะทูลชมเชยด้วยคำเป็นต้นบอกว่าข้าพระองค์มีความต้องการจะระมัดัหาจึงมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้ไม่ทรงถูกกิเลสคือราคะโทสะโมหะอาศัยเลยเป็นผู้มั่นคงไม่หลอกลวงเสด็จมาเป็นคณาจารย์ของคนเป็นอันมากผู้ยังผูกพันอยู่ในาศาสนานี้ดังนี้แล้วข้าหมายกาคืาพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นบุคคลที่ไม่ถูกราคะโทสะโมหะอาศัยเลย ใช่ไหมท่านไม่มีราคา่าโทสะโมหะอาศัยมั่นคงมั่นคงในที่นั้นก็หมายความว่าเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเพราะกิเลสไม่หวั่นไหวเพราะรูปอารมณ์เป็นต้นที่มากระทบที่ไม่หวั่นไหวเพราะพระองค์มีชลังพระเปกขาใช่ไหมสามารถที่จะวางเฉยโด้ยการมีสติสัมปชัญญะไม่ใช่เฉยแบบไม่รู้เรื่องไม่เฉยแบบไม่รู้เรื่องเขาไเรียกชลังพระเปกขาเขาเรียกอัญญาณเปกขาเฉยแบบไม่รู้ ทำเป็นเฉยๆไปอย่างนั้นเนี่ยยั ง, ยงไม่ได้แต่ว่าพระผู้มีพ้พระเจ้ามีชลังผู้เปรกขาคือการที่ว่ากรูปารลมเป็นต้นจนถึงธรรมารลมเบ็นที่สุดมากระทบในทางตาหูจมูกลิ้นกายโดยเฉพาะรวมลงสู่จิตใจของท่านนั้นท่านวางเฉยแนวลมทั้งหได้แต่การวางเฉยของท่านนั้นทรงมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ตุ่นอยู่นะท่านจึงบอกว่าเป็นผู้ไม่ถูกกิเลสอาศัยเป็นผู้มั่นคงไม่หลอกลวง เด็จมาเป็นคณาจารย์คณาจารย์ในที่นั้นก็แปลว่าเป็นเจ้าเป็นหมู่เป็นหัวหน้าของคนเป็นนั้นมากถามว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยคือเป็นคณาจารย์ผู้ทรงผูกพันอยู่ในาศาสนานผู้ยังทรงผูกพันอยู่ดงนี้แล้วทูลว่าพระองค์ผู้จเจริญวันนี้เทวดาและมนุษย์แม้ทั้งหมดย่อมรักให้พระองค์พระองคแม้เทวดาและมนุษย์เนี่ยรักพระพุทธเจ้ามากรักแบบเม่ตานะ รักแบบเมตตารักแบบมุทิตาโอ้ยยินดีพระเจ้ามากที่พระเจ้าได้สถิประธานใช่ไหมประานนะี้ไหอยรียสรัพย์มากพระเจ้าไปที่ไหนพระเจ้าก็เอาสรัยพย์เหล่านี้ไปแจกพระเจ้านะั้นเป็นผู้แจกเป็นผู้จำแนกเป็นผู้ให้อะไรสรั์แต่ไม่ถึงเราท่านทั้งหลายเป็เท่าไรเนี่ยนะถึงมินินเตอร์ทีนี้ พระศาสดาตรัสว่าสารีบุตรพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงประกอบไปด้วยพระคุณเห็นบานนี้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงทรงแสดงพระสูตรอันมากในครั้งนั้นสัตว์สามสิบโกดได้บรรลุ ธ, ธรรมนพพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมอยูสามสิบโกดมึงไปนั่งนับดูหนึ่งท่านเหล่านั้นได้บรรลุ ธ, ธรรมพระส า, สารีบุตรเทละไปทําวัดพระบรมศาสดาในที่นั้นเนเวราฉันภะต่าหันเสร็จ ในวันนั้นพระพุทธเจ้าตรัสวาสาลิบุตรวันนี้เราจะถาคตกล่าวทำมีประมาณเท่านี้อย่างนี้อย่างนี้พระพุทธนิมิตรก็แสดงธรรมเท่านี้เหมือนกันเธอจึงบอกแขกอันเทวาสิทธาล้อยลูกของตนพระพุทธองค์ทรงสแสดงทรงเสด็จไปยังเทวโลกทรงสแสดงธรรมต่อจากที่พุฒนีมิตรแสดงพระพิธรรมนั้นก็จบลงด้วยเวลาสามเดือนนี่ยอย่างนี้ในการนั้นน่ยสัตว์80สบโกดได้บรรลุธรรมแม่นางมา มหามายาก็ดำรงอยู่ในโซดาปฏิเ น, นอันนี้บ่งบอกอะไรบ่งบอกที่ยวตอนที่พระพุทธเจ้าไปประกาศพระธรรมให้กับพระพุทธมารดาพระาศาสดาจำราษาแล้วตรัสบอกกับเท้าสกกาใช่ไหมหลังจากสแสดงธรรมเบ็ดเสร็จแล้วสัตว์โลกได้บรรลุปดสิบโกนแล้วใช่ไหมเรียกว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปหนึ่งก็ต้องไปเทศบุญในอุณย ก็หมายตาเขาไว้ต้องอยู่สูงกว่าดาวดึงถึงจะลงมาฟังนี่ดาวดึงได้แต่อยอะตังกว่าดาวดึงก็เป็นยุงน่งเลยนอันนี้คือคือคือบอกเอ๊เราจะทําท่าทําทางยังไง <c oughs> ไปจะได้ฟังอยู่เปล่าในยายนึงตั้งเรายาสายดีเพราะวัตถุ ก, กรรมมันลึงลักใจเรามากกว่าทำมาทำคําสอนถ้าเรามีจิตผูกพั น, นกับพระธรรมของพระเจ้าอย่างอย่างต่อเนื่องดี ใช่ไหมมีพระธรรมที่ปรากฏจริงแท้ปรากฏในที่ไหนมันก็ดันต้นไปที่จะฝังใช่ไหมอย่างเนี้ยนั้นศาสที่เขาบรรลุนหน่อยหมแปลว่าตั้งอัธยาศัยเขาบอกแคนั้นการที่ตั้งอัธยาศัยในการที่เขาบอกว่าถ้าชังทำเป็นผู้เสื่อมชอบทำเป็นผู้เจริญนั่นเขาจะยังไงเขาไม่ใช่ชังทำหรอกเขาให้เชอบทำถ้าไปชังทำไม่ชอบทำแล้วจะเป็นผู้เสื่อมตลอดกาล เสื่อมจากศีลเสื่อมจากสมาธิเสื่อมจากปัญญาเสื่อมจากวิมุตติเสื่อมจากวิมุตติญาณทัศนะมันส่วนหมดเลยนะฉะนั้นเขาบอกผู้ฟังทำเป็นผู้เจริญผู้ชังผู้ชอบทำเป็นผู้เจริญผู้ช่างทำก็เป็นผู้เสือ่อมพระพรุธเจา้าเป็นผู้สูงสุดกว่าสัตว์สองเทา้าประทับอยู่ที่ปันทุกัมพลศิลาอาคโณตั้นประคัคเปรโทต้นปริชาติในภพดาวเดืนเทวดาในสิบโลกธาตุเนี้ย นั่งประชุมแวดล้อมเมือนกตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักเหมือนกันเนี่ยก็เทวดามาจองเนี่ยมาจองที่กันทีนี้มาจองก็ตอกลงกันไม่ได้โอ้โหเห็นไหมที่จำกัดแต่คนมันมามากก็เลยบอกว่าเอา้าทำอัตภาพให้เล็กที่สุดให้เล็กที่สุด ขนสายที่แหย่ลงได้ได้สิบอัภาพบางยี่สิบอัตภาพบ้า ง, าางนั่นแหละต้องแออัด ก, กันอย่างนั้นเพื่อจะมาฟังธรรมเพราะรอมานานแล้วคิดดูคนยุคนี้เคยเคยขนาดนั้นไหมเราไปก่อนเราไปก่อนขอไขอเราหนึ่งที่ขอเราหนึ่งที่มีมหมล่ะแม้ผ่านในสมัยหลังๆมาท่านก็นิยมการฟังธรรมดูนในสถิปติฐาน ท่านจะต้องรีบเร่งถ้ามีการแสดงทำกันที่ไหนพระจะต้องรีบไปจองก่อนจองก่อนไอ้ตรงนี้ที่อาจารย์เราตรงนี้ที่อุปชาเราตรงนี้ที่อันเทวศิษิ์ของเราต้องรีบจองไว้ก่อนเดี๋ยวเนี่ยเาลงเหลวมาเลยเห็นไหมยังผู้ชอบทำเนี่ยเขาบรรู้กันหมดแล้วแต่ผู้ชังทำก็พากันเกิดอยู่ในโลกใบ น, นี้แหละมันบรรู้ไม่ได้ไม่ออกเหตาม์หูอยู่เล่นกายใจได้ที่ไหนก็ได้ทําจิตให้ชอบเขาได้ยัง ผู้เช่าตัดอย่างนั้นเลยนะว่าไงป๊บจะเป็นผู้เสื่อมหรือผู้เจริญฮะอยากเสื่อมไม่ออยากเจริญแหมอยากเจริญต้องชอบพระธรรมต้องชอบพระธรรมตรงนี้นะนั่นเทวดาเข้ามากันเยอะแยะหมดเลยว่างแล้วก็มาทํากายเล็กแล้วเองอ่ะที่อย่างนี้เทวดาชอบที่ไหนแล้วเพราะมีพระธรรมยังไงถึงไะ พอฟังจบไปแล้วโอหบรรลุกันลืมลำเลยอย่างนี้ในชะ่ไหมนั้นเขาจะแออบฟังสุดสูตรสองสูตสามสูตรเป็นเรื่องโูทําไ ม, มทไมเขาจะฟังไม่ได้นะ้อก็เขารอมาตั้งยาวนานแล้วใช่ไหมพอพีที่รับเขารับมีคอยแล้วรับปัญญาคอยแล้วทําศีลสมาธิปัญญาคอยนี่โอ้โหนี่ไม่ได้รับอะไรเลยฟังอะไรไม่รู้เรื่องเล ย, ยคิดดูดีไหมก็ลองคิดดูดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเราท่านนึงหลือเป็นย่างไง้ ที่นั้นพระผูเมียพระเจ้าเนี่ยประทับอยู่บนยอดเขาไม่มีเทวดาสักองค์หนึ่งที่จะมีแสงสว่างสวัยเท่ากับบรมศาสดาพระพุทธเจ้านั้น่ทรงสว่างสวัยครอบงำเทวดาทั้งหมดเมื่อพระศาสดาประทับนั่งแล้วพระมารดาก็เสด็จจากชั้นดุสิตวิมานถวายบังคมพระศาสดาแล้วก็นั่งที่ข้างขวาเราเทวดาที่เหลือก็นั่งตามลุกวรได้โดยประการต่างที่ชนี้บอกว่า คือแม่เนี่ยนั่นในใกล้มีอุปการะคุณต้องแม่เป็นประธานเห็นไหมการเป็นแม่พ็พอที่สัตว์เนี่ยตอนจะได้ดิบได้ดีก็ได้ตัวนี้แหละใช่ไหมเพราโอ้โหเนี่ยนะบอกว่าพระพุทธเจ้าอุบวชมาแล้วหนูลูกของเราเนี่ยจะมาบดเราอะ่ะใช่ไหมพวกท่านทั้งหลายได้อา น, นิสงส์จากเราเนะโหบอกคุณแม่เลยนะให้นางเป็นประธานเลย ลำดับนั้นพระศาสดาก็แสดงอภิธรรมบิดกในท่ามกลางเทวบริษัทโดยนายเป็นต้นธรรมทั้งหลายที่เป็นบุศณธรรมทั้งหลายที่เป็นอโกศธรรมรร ท, ท, นะ ท, ทั้งหลายที่เป็นอริญญกรตะก็ว่าไปเป็นดูคำภีวิพังหรือดูแนวอภิธรรมธรรมสังคณีนะธรรมทั้งหลายพระองค์ก็แสดงอิธรรมบิดกติดต่อกันตลอดสามเดือนอย่างนี้เมื่อทรงแสดงธรรมเรียมหาพุทเจ้านะเป็นพุทธนิมิต ก็ดำรีบอกว่าพุทธนิมิตจะแสดงทำประมาณตอนนี้ในเวลาบินาบาัดจนกว่าเราจะกลับมาแล้วก็เสด็จไปยังหิมบาลน้องคิดดูที่กาหนดหมายไว้เลยว่าเออกาหนดเวลาเท่าไรได้เบีดเสร็จแล้วก็ความคิดตรงนั้นน่ะทักษิณประทําไม่ขาดทําได้ไงคางนวณไปด้วยแล้วก็จิตที่แสดงทำก็แสดงทำไปด้วยอีความรู้สึกอันหนึ่งก็รีบฉากมากําหนดระยะเวลาเบีเสร็จ แล้วก็ล็อกไว้ว่าพุทธนิมิตแจะแสดงทำในเวลาเท่านี้ในขณะที่ไปบินตบาตในขณะที่ไปฉันในขณะที่ไปทําให้อียาบทนั้นเป็นไปในฐานะความเป็นมนุษย์เนี่ยนะนี่ภาษารีบุตรเป็นนวดเป็นเฟ้นไปอะไรต่างๆแล้วต้องไปแสดงทำให้ภาษารีบุตรฟังเนี่ยคานวณไปเสร็จยังไงแล้วกลับขึ้นมาแทนพุทธนิมิตเทวดาทั้งหลายไม่รู้เลยองค์จริงองค์แท้แสดงทำนี่ไงพระเจ้า เขาบอกว่าก็เหมือนกับที่ว่าท้าวสกาบไปฟังธรรมใช่ไหมในสักาปัญหาสูตรพอฟังเสจบเสร็จปุบแล้วท้าวสกาตายตายแล้วเกิดเป็นท้าวสกาใหม่กลุ่มบริวานไม่รู้นี่รู้อยู่สองท่านแหละคือท้าวสกาพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นก็ก็ของสมบัติเก่าของตนเองไป ทีนี้พระพุทธองค์ก็แสดงอภิธรรมดังเป็นเนราบินทบาทกว่าเราจะกลับมาแล้วก็เสด็จไ ป, ไปป่าหิมพานก็เคี้ยวไม้ชำระปันที่นาคาระดารล้างพระโอษฐ์ด้วยน้ำจากสานอดาดทรงบินทะบาทจากอุตรลกุรุทธวิปแล้วก็ประทับนั่งฉันพัะาหารที่สลาลงชมคมใหญ่โดยดิไป่ายบุรทวีปเลยอ้าวทำไมไม่มาบินทบาทที่จบบทวีปก็บอกมนุษย์เขาไว้บอกว่า ใช่มบอกว่าจะไม่กลับมาวิไปจำพรรษาทวีไปจำพรรษาบรรดาวดิ้งก็เลยไม่มาที่เจมูกทวีช่วงนั้นแหะทั้งพรรษาเนี่ได้ปลดชาวเทลากุโรทวีบ้างอะไรบ้างได้บินแล้วเพราะสาริบุตรเทลาก็ไปทําวัดอธิบัติพระบรมศาสดาในเวลาฉันพัะทหารเสร็จนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสาริบุตรวันนี้ตถาก็แสดงธรรมประมาณเท่านี้เป็นต้น ก็ไายไปตามลำดับเัินที่ได้เก็บแล้วในที่สุดจริงๆเมื่อแสดงธรรมเบ็ดเสร็จนะสรุปตรงนี้ก็คือว่าพระศาสดาจําบรรษาแล้วเนี่ยตรัสกเท้าสกาวว่าเราตถาคตจะไปถิ่นมนุษย์เท้าสกะก็นเนรมิตบันไดทองสามชั้นเออบันไดสามชนิดเนี่ยไม่ใช่สามชั้นคือบันไดทองบันไดเงินแล้วก็บันไดแก้วมณีเชิงบันไดเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ที่ประตูเมืองสังกษะจะไปกันว่าอะไรยนี่ถึง ห่ามันได้ตั้งอยู่ยอดเขาซินเนลูหนึ่งโอ้ยเสด็จทาเทโวโรหนะปฏิหารเงยประพักดูเบื้องบนได้มีลานอันเดียวกันกับพม่าโลกดูตรงไหนสิเขาลาดพื้นที่เห็นหมดเลยเนี่ยคนมีบุญอย่างเราดูไปที่ไหนก็มีแต่อะไรติดขัดหมดหมดเลยเนี่ยทอดพระเนตรดูด้านล่างก็ ได้มีลานันเดียวกันถึงอเวจี น, นั่นเองทรงทอดพระเนตรดูทั่วทิศจักรวาลทั้งพันจักรวาลได้มีลานเป็นอันเดียวกันพวกเทวดาเห็นพวกมนุษย์มนุษย์ก็เห็นเทวดาวันนั้นบุคคลแม้คนหนึ่งในชุมชนประมาณสามสิบยอที่มองดูพระพุทธสิริชื่อว่าไม่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยเราได้ตังค์กเขาไว้ว่า พระปรารถนานความยิ่งใหญ่ความเป็นมหาสจรรั์แหมขนาดนี้นะใช่ไหมบางคนก็ตั้งความปรารถนานไม่ลองตั้งใหม่ของเก่านั่นเนี่ยโอยพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนนี้เนะี่ยปัญจาสิกขาเทพพระบุตรเนะี่ย คือพวกเทวดาเนี่ยนะลงทางบันไดทองด้านขวาพรหมก็ลงบันไดเงินด้านซ้ายพระพุทธเจ้าก็ลงบันไดแก้วมณีท่าลกลางสรุปแล้วนลทางอะไรลงมาอัาจ่าสิกาเทพบุตรถือพินเหลืองเหมือนผลมะตูมสุกยืนอยู่ข้างขวาทําการบูชาด้วยการด้วยดนตรีตามลงมาก็คือทําดนตรีลงมาด้วยเล่นดนตรีสุยามเทพปรตมก็ถือพัด วาระวิชณีวิชนีนะแปลว่าพัดบอกถือพัดเนี่ยไม่รู้จะแปลไงถือพัดวาหรือวาอะไรถือพัดวาระวิชนีชนอืมันมีคำว่าสองพัดเลยเนี่ยพัดหน้ากับพัดหลังพัดหนึ่งเป็นภาษาใยพัดหนึ่งเป็นภาษาบาลีไม่รู้ไปถือเราตามลงมาสันตุสิทธิเทศประบุถือกั้น พัตานมณีตามลงมาแล้วก็เท้าสกัดเป็นต้นก็ในย่างก็คือว่าเท้าสกัดก บ, บูชาทำการบูชาหลายอย่างตามลงมาอย่างนี้หมาพมก็ั้นสเสวยฉัดด้านซ้ายพระศาสดาเสด็จแวดล้อมอย่างนี้แล้วก็ประทับอยู่ที่ประตูสังกษสชุมชนหมู่ใหญ่ที่ชุมชน กันอยู่ในกรุงสาวัตถีนั้นก็รับประทานอาหารเช้าในวันมหากรณาผ่านคิดว่าวันนี้พวกเราจะได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประตูสังกัสรถึงประตูสังกรศเห็นเหมือนเข้าไปสู่วิหารใกล้ประตูเข้าสู่เมืองฝ่ายภาษาลิบุตรเทระพร้อมทั้งบริวารมาถวายบังคมพระบรมศาสดาเพราะเหตุที่พระศาสดาเสด็จลงมาด้วยพุทธสิริอย่างนี้พระเถระไม่เคยเห็นมาก่อนเลยฉะนั้นท่านภาษาลิบุตรทิงกล่าวถูนมองพระศาสดาเนี่ย เป็นผู้มีพระสุรเสียงไพเราะได้เสด็จจากดุสิตมาสู่ประชุมนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินจากใครมาก่อนหน้านี้เลยน่าดูหน้ามองจริงๆดูไม่เบื่อจริงๆ น, นะฟังพระธรรมท่านก็ไม่เบื่อหลากหลายโดยเทศนาก็ ว, วีราชพระวจนะก ว, วีราชนะภยานกวิราชผลิตกวีลาชรูปกายก ว, วีราช ใครไม่ควรคิดใครไม่ควรคํานวณเลยอะขนาดนั้นเลยทําไมงามแบนนั้นภาษารีงกฤษก็ชมเชยนะทีนี้พอชมเชยว่าข้าพระองค์มีความต้องการจะถามปัญหาจึงมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไม่ทรงถูกเจดีอาศัยแล้วเป็นต้นนั้นที่ได้กลา่าวพระบรมศาสดาเป็นผู้มั่นคงไม่หลอกลวงเสด็จมาเป็นคณาจารย์ของคนเป็นนั้นมากผู้ยังผูกพันอยู่ในศาสนานี้ ตอนนี้พุทธิยายนยังบกุกไปยืนในพระธรรมคํำสอนทูลว่าพระองค์ผู้เจริญวันนี้เทวดาและมนุษย์ทั้งหมดย่อมรักใคร่พระองค์พระาศาสดาตรัสว่าสารบุตรพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตในปัจจุบันแม้ที่จะมาตรัสในอนาคตก็ประกอบไปได้วยพระคุณเห็นมาเนี้ย<บ>เอาสิเนี่ยพระพุทธเจ้านี่นะบอกให้เราให้รู้ว่าจริงๆแล้วถ้าว่าเกิดมาในาศาสนาของพระองค์อยู่ในร่มเงาของพระธรรมของพระองค์อยู่ในมณฑล หรือในพุทธเขตของพระ อ, องค์แล้วนี่นนาชื่นใจอย่างนี้นะเมื่ออยู่ในเขตของพระเจ้าโดยเฉพาะนะั้นอยู่ในมวล น, นที่พระเจ้าที่จะโปดรดด้วยแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมวล น, นเล็กมวล น, นขนาดกลางหรือมหามวล น, นขนาดใหญ่ที่พระเจ้าแท้ย่ำพระบาทใช่ไหมทรง ด, ดําเนินทรงจาริกไปในการที่จะโปรดสัตว์ขนสัตว์หรือสัตว์เนี่ยบางทั้งก็เป็น มวลทอนเล็กมวลขนาดกลางมวลทนขนาดใหญ่ใช่ไหมบางทั้งพระองค์ก็เสด็จเจ็ยอดบ้างใช่หมห้าเจ็ดยอดบ้างหยอดบ้างเจ็ 7, ยอดบ้างเก้ายอดบ้างเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมในการที่จะโปรดพ ร, พระพเจ้าพระองค์ใดทรงมีความชํานาญในปฏิหารอิทธิปฏิหารนาเทศนาปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารได้ทรงกระทําวิปุกพันธุ์ต อย่างประเสริฐเช่นนี้ข้าพระองค์ขอนมัสการพร ะ, ระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้เป็นพระสุคตดังนี้ท่นานก็พานามี่พานาการที่ว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณมากเป็นต้นนิทันภาษาอิบุตษกับประการต่อมาก็คือว่าพุทธคุณทั้งหลายที่เราท่านทั้งหลายยศศักดิท่านพานาบอกว่าพระมาหาบุรุษนั้นทรงบรรลุความเป็นพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วทรงแสดงทรนแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย จงใหสัตว์ทั้งหลายบรรู้โดยในต่างๆนะเหตุ น, นั้นแหละนะพระองค์จึงปรากฏว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งในเทวดาและทมเหล่านั้นแล้วก็ทรงให้แสงสว่างเห็นพระธรรมเนี่ยอย่างแน่แท้ให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้อริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกสมุทัยลิโธมัสใเนี้นก็ได้ข้ามพ้นจากราคะโทสะโมหะแล้วก็พากันยกย่องว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เปิดเผยเนี่ยเป็นพระราชามุนีเนะย ผู้ประเสริฐกว่านรารชนประเสริฐกว่าเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ผู้สะอาดผู้ประเสริฐกว่าพรมผู้ทรงนําไปซึ่งบาปของตนนะผู้ทรงนําไปซึ่งบาปของบุคคลอื่นผู้ทรงกระทาความเจริญแก่ตนผู้ทําความเจริญแก่บุคคลอื่นผู้นี้เจ้าเนี่ยบาปของตนเองพระองค์ก็ชําระได้และยังชําระบาปของบุคคลอื่นด้วยเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ลางบอก<า>แต่หมายความว่านั่นแหละก็คือ ข, ข, ขจัดบาป กระราคาเป็นต้นแล้วเนี่ยเจ้นั้นในการศึกษาพุทธคุณทั้งเก้าประการมีอะรแหละคุณเป็นต้นอันไปบุญเนี่ยปรากศจากมวลทินนะอันมนุษย์แต่เทวดาพร้อมทั้งหลายกล่าเต็มท้องฟ้าและแผ่นดินแผ่ไปแล้วในหมู่ไตรภพก็คือในการมาพบรูปประพบและรูปประพบนั้นใครก็สรรเสริญคุณของพระเจ้าทั้งนั้นใช่ไหมคนที่สรรเสริญไม่ได้คือคนเป็นใบกับคนหูหนวกใช่ไหม คนหนวกเขาไม่ได no, ้ยินพระสรเสไม่ได้ยินคุณของพระเจ้าคนเป็นใบเขาไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยสรรเสริญคุณของพระเจ้าไม่ได้นคนหูบวกหนวกคนเป็นบ้าเนี่ยไม่ได้สรรเสริญคุณของพระเจ้านอกนั้นก็สรรเสริญแต่ก่อนสรรเสริญแล้วกลับมามันไม่สรรเสริญเยอะๆตอนนี้ได้ยินบ้างไหมเนี่ยพวกเราได้ยินคุณของพระเจ้าในในในที่ทุกแค่ง์บ้างไหม ท่านในช่องใจของเราท่านทั้งหลายยังมีคุณของท่านอยู่นี่นะแล้วไปแนะ้วที่ไหนเราเหยียนคุณของท่านพระเคุณทั้งก้ามีอาหารหันตคุณเป็นต้นนั้นปราศจากมลทินนั้นดังไปในไตรภพคือในกามภ พ, พรูปภพและรูปภพพระพุทธคุณนั้นอันบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์กว่ามีพระคุณที่ไม่ไม่พึงคิดเป็นต้นเหล่านั้นของพระผู้มีพระเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดอันท่านย่อไว้เลยในก้าบทโดยสังเขปนีน เอวังอย่างนี้เอเอวังหิพุทธตัตมุปาคโตโศมหาบุรุษนั้นทรงบรรลุความเป็นพระเจ้าอย่างนี้แล้วจึงใช่ในอันิทัศน์วหิแลได้ในออะวัธารณะเพราะฉะนั้นนี่ยพระมหาุรุตทรงบรรลุความเป็นพระเจ้าคือพุทธภาวะได้แก่พระพุทธสัพพัญุตยานโดยการที่เราท่านทั้งหลายคนที่จะกล่าว ควรที่จะคารนาคุณของท่านพร้อมทั้งนราชนทั้งหลายด้ว แ, แก่เทวดาทั้งหลายกับนราชนทั้งหลายนราชนและเทวดาทั้งหลายรวมถึงนาคุดยักษ์และก็คนทันกุมพันเป็นต้นเนี่ยหมายความบอกว่าสัตว์ทั้งหลายบรรลุโดยนายต่างๆเพราะปรมาสสะดาใ น, นทรงแสดงธรรมขันและปะกุศลเป็นต้นรวมลงในธรรมทั้งหลายมีขันเป็นต้นในในมิเทเอกัตตนาเป็นต้นเหล่านี้พระพุทธเจา้าแสดงนะเอกัตตนาดํา นาณาตนัยเป็นต้นอภิยาปารนัยเนี่ยอันเอวังธรรมดาในเนี่ย เ, ยเอกัตานายความเป็นนายเดียวกันนานาตนัยที่มีนายต่างกันอภิยาปารนายนมีความขนหายเอดํเอเอวังธรรมดาในก็คือเป็นนายที่สแสดงความเป็นธรรมดาเช่นปฏิจจสมุบัติเป็นต้นอะไรเนี้ยนะโดยการมิใช่น้อโดยนายมิใช่น้อยก็บุคคลใดรู้เฉพาะทำที่พระบรมศา ส, สดาทรงแสดงโดยประการใดเนี่ย ทรงแสดงธรรมโดยประการนั้นนชื่อว่าทรงให้ศัตว์ต่างหลายมีประการที่ได้กล่าวมาแล้วแล้บรรลุแล้วคือใถึงอภิสมัยคือบรรลุมรรคผลอันเป็นตัวโรคุตละได้มรรคสี่ผลสี่นิพานหนึ่งเนี่ ย, ยตัสมายอิอ า, าโตติภเวสูนาโทเหตุนั้นแลพระองค์จึงตรัสบอกว่าเป็นที่พึ่งในภพสามพระพุทธเจ้าแสดงธรรมขาด น, น, นี้โดยในต่งตางๆอย่างหลากหลายใช่ไหมให้เหมาะสมแกอัตยาสัยของสัตว์ที่เป็นไปในไตรภพ คือการมาพบรูปประพบแลรูปประพบไม่ใช่ไปแสดงในรูปพบเนอะแสดงแล้วสัตว์ไปเกิดในรูปประพบฉะนั้นในขณะที่พระอาริยะบุคคลทั้งหลายก็อยู่ในรูปประพบตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ยังแสดงเ ท, ท่าไท่าดเหล่านั้นฟังอยู่ในใจของท่านน่ยคือใจของท่า น, านคืคนอไข้ควรอาริยะสัตวสีไข้ควรปฏิจจุบะฏไหมไข้ควรขันท่าอายตนะกระแสของขันท่าอายตนะท่านพยายามชําระกระแสขันของท่านบางท่านกระดับขันธัฏิยภานบางท่านไปยังมีอยู่เนี่ยนะนั่นแหละ พระพุทธเจ้าแสดงธรรมตลอดเวลานะท่านผู้ใดศึกษาก็ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีแล้วไป น, นั่งอยู่ในที่เงียบๆหยิบอาสูตรใดสูตรหนึ่งหรือกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งมาไข้ควรพิจารณาวิจัยอย่างถ่องแท้อยู่ในขณะนั้นพระประมา ศ, าศาสดากําลังแสดงธรรมแก่ท่านผู้นั้นอยู่นะเอานั่งเงๆๆียบๆดูที่พระเจ้าจะแสดงธรรมสูตรไหนหเราฟังแสดงสูตรไหนแสดงพุทโธไงก็ใช่ไหมพุทธโธแต่สโลลิยัสัต อย่างนี้ก็ถือว่าแสดงแล้วขอให้ใจเราเนอนอไปในคำคาสอนผู้เจ้าให้ถูกนะเหตุนั้นจึงปรากฏว่าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของชาวโลกปรากฏแล้วสำเร็จแล้วได้แก่มีชื่อเสียงแพร่ไปในพบสังในการมาพบรูปภพและรูปภพมนุษย์เทวดาและพรหมเนี่ยใ น, ใน ส, สิบสหศีโลกธาตุทั้งสิน้นท่านก็พารนาบอกว่า ทรงแสดงสัตว์เหล่านั้นตัสสู้สัจจะที่ใช้คำว่าอัตถาและทานได้แล้วเนี่ยแท้อัตถาเนี่ยแท้ก็ว่าไม่พลาดการปฏิบัติโดยส่วนเดียวนะลัทธาคือได้แล้วได้รับแล้วธรรมาโลกังแสงสว่างเหงุผลธรรมสว่างสวยในกระแสใจของสัตว์โลกนะเทวดาและพรหมไปตามแนวเหงเทศนาได้รับสว่างสวัยแห่งยานนย อพอหากว่าปัญญายานเกิดขึ้นมาแล้วปัญญาญานนี้ก็แทนทะลุทะลวงอริยสัจกําหนดรอบรู้ทุกทําปริญญาทํายาตัาปริญญาตีรณปริญญาในทุกศาสตร์เป็นต้นเนี่ยแล้วก็ละสมุทยยศาจ่าด้วยประหารนปริญญาเนีเริ่มตั้งแต่ตทำงก้าประหารจนสามารถเป็นปัจจัยแก่สมุทเยติประหารในขณะที่เป็นตะทำเข้าปรหารก็น้อมจิตนั้นเข้าสู่ปานิพานโดยนิสรณะวิเวกโดยอัชชาสยาดโดยอธิาายาใสใช่ไหม และในทีุ่ดจริงๆถ้าประหารเป็นสมุทเฉทประหารในขณะแห่งอริยมาร์ก็สามารถจะมีปริพานโดยการทาให้เป็นอารมณ์ได้อย่างท่องแท้ฉะนั้นก็ทําให้แจ้งในสัจจะทั้งสี่คือทุกสมุททางนิโรธและมาร์กโดยส่วนเดียวคําว่าทิฏฐาปตายาตาสัจจังได้เห็นได้บรู้แล้วได้รู้สัจจะเห็นสัจจะสี่เหมือนเห็นอะไรเนะเหมือนเห็นรูปด้วยตาเห็นสว่างสวัยเห็นชัดแจ้งอย่างนั้นะ ปกติอริยาศาสตร์นีต้องเห็นโดยมโนถวานอยู่เห็นทุกเนี่ยราสมุทัยเนี่ยทาํานิโรธให้แจง้งแล้วก็เจริญอริยามรรคเนี่ยนั่นจ า, ากมรรคจิตเกิดขึ้นเหมือนเห็นรูปด้วยตาเลยอะผมก็เดินนี่จะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นะบรรลุแล้วเหมือนตกอยู่ในฝ่ามือรู้แล้วด้วยยันนะติ น, นาข้ามพ้นได้แก่ข้ามพ้นแล้วจากกิเลสข้ามพ้นแล้วจากราคะโทสะโมหัน ข้ามคนและจักมาณน้ทิถีเป็นต้นเหล่านี้โทเมสุงเตเทวพรามณะเทวดาดัมนุษทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันยกย่องว่าเทวดาและพรหมทั้งหลายเหล่านั้นผู้บรลุ ธ, ธรรมมาพิสมัยก็คือบรรลุอริยสัจนั่นแหละทั้งตลอดทุกสมุทยนี้รถมักเป็นคำกล่าวถึงผู้สูงสุดมนุษย์เอ่ยหน้าเอ่ยครุฑยักษ์และกคนทันเป็นต้นก็พากันยกย่องแล้ว ท่านเหล่า น, นั้นได้เห็นธรรมได้บรรลุธรรมรู้แจ้งธรรมแล้วย่างลงสู่พระธรรมแล้วข้ามพ้นวิจิกิจฉาและความประมาทเป็นต้นไปเเรายังมีวิจิกิจฉาอยู่นี้นเนี่ยใช่ไหมเวลาจะไปฟังธรรมพระเจ้ายังสงสัยอยู่มันไปไม่ไป ไ, ไ ป, ไปไถ้าเรื่องตามมาคุณไม่ค่ยสงสั ย, ยหรืสังเกตุมั้งแต่หุ่ใจง่ายมากสมมติเราจะไปดูแลจะไปดูแลตาเราจะโคตรเลยโหวันนี้หมอนักตร น, นี้ไปเลยสําคัญ อ๋อจะไปปางทางโอ้ไม่ได้วันนี้หมอ น, นะจะดูตาดวยคือเป็นอ่ค์เป็นองค์วัตารรมกตาบางตาเป็นาานิจต่างของราคะเน้นัาเหยียดเลยดิพอดูปุ๊บแล้วโอ้เราชอบมากตานี้ใช่ไหมนั่นเพราะอะไรเลยไหมเราไม่ได้ทําปริญญาในตานั้นใช่ไหมแต่เราไม่ได้ใคร่ควรวญโอ้ตาเนี่เป็นดิต่างของสิ่งที่ไม่สะอาดอย่างมากมายตาเขาม่เที่อยงเลยเนาะตานี้ก็มีความมีชาติทุกข์เป็นนิจต่างของชาติทุกข์ชาลาทุกมาลาทุก ท่องสังเกตดูดิความคนที่อยากได้ตาเนี่ยปรารถนาเกิดเท่าไหร่คนที่ติดข้องในดวงตาแล้วจะต้องเกิดเพื่อมีตาอีกเท่าไหร่ใช่ไหมคนที่ไข้เนตานั้นงานแล้วทำกรรมเพื่ออยากได้ตานั้นมาอยู่กับตนเองเนี่ยทำกรรมเท่าไหร่คนที่ทังเกลียดตานี้แล้วเกินต้องการจะให้ตานี่วิบัติอย่เงี้ยแล้วต้องมาทําชั่วเพราะการนี้จะทําให้ตานั้นวิบัติไปนั้นเท่าไหร่ นีือคนที่โมหะ ก, กินเนี่ยมองเห็นตาแล้วก็ไม่รู้เรื่องเนี่ย น, นะแล้วก็ทำกรรมเพื่อได้ชาติทุกข์อีกเท่าไหร่เนี่ยแค่เอาตามาวิจัยอย่างเดียวก็จะปวดใจตาอยู่แล้วใช่ไหมเฮ้ยตาเป็นที่ตั้งของชาติทุกข์คือความเกิดชราทุกข์คือความแก่พยาญิทุกข์คือความเจ็บป่วยมรณะทุกข์คือความตายดแท้ได้เคยเอาตามาทําบารินยาไหมจากครูประสาทและศาสัมภาระจากขูดใช่ไหมลองเอามาวิจัยามาไขควาพิจารณาดูเราจะเห็นเลยโอ้ยตาเนี่ย เป็นที่ตั้งของชาติทุกทุกแท้ๆเลยทั้งของตนเองและของหบุคคลอื่นเชื่อไหมตาของเราคู่เนี้เคยทําให้คนทําบาปมาเยอะแล้วทั้งบาปด้วยราคะบาปด้วยโทสะและบาปด้วยโมหะเป็นต้นคนเขามองตาเราเนี่ยบางทีเขาก็ชอบใจเห็นไหมก็ทําให้เขาเกิดราคะแล้วก็ทําบาปด้วยราคะบางคนเขาไม่ชอบใจเขาก็ทําบาปด้วยโทสะอีกเขาก็ไปพ้นจากชาติทุกข์อีก แล้วเขาเฉยๆกับตาเนี่ยโมหากินเขาอีกงเขาก็ทกํากรรมเพจะไปเกิดอีกดูสิเนะี่ยแค่ตายิ่งเป็นที่ตั้งของชาติที่ทุกขลาทุกพยาที่ทุกข์มะะาเลยนะทุกข์แล้วผู้เกี่ยวข้องที่มีตาก็เหมือนกันนะโอ้เพรมีตานี่แหละแล้วเราไปทําบาปเพ่ออะไรเนะี่ยเอาไปมองสิ่งที่เป็นบุญกับมองสิ่งที่เป็นบาปอันไหนมากกว่ากันกนะ็มาวิจัยกันเดินมากวโอ้มมองสิ่งที่เป็นบาปมาก ทำให้ราคาโทสศัโ ม, มหะแล่นในกระแสขันธาตุยา ม, มากเหลือเกินเพอาะอิตาคู่เนี้ อ, อัลกิบไปมองว่าทำของสอนของพระเจ้านิดเดียวเองนะไอ้ที่ตาเสียไปเยอะมากไม่ไปมองว่าทำของพระเจ้าเท่าไรหรอกไปมองสิ่งอื่นไปมองว่าถูกกรรมยิ่ตาเสียจ้องแล้วจ้องอีกใช่ไหมจ้องว่าถูกกรรมบางคนก็เป็นนั่งบางคนี่ไปส่องเพชรโอ้ยส่องอยู่นั่นนหะส่องว่าถูกกรรมบางคนก็จ้องโท่าไรฮะโอ้จ้องจนตาเสีย จ้องคอมพิวเตอร์จ้องยันตาเสียดูทีเนี่ยแล้วตาที่ทาบาปมะแล้วยังกล้าขนาดนั้นเวลาจะมาดูพระธรรมของพระพุทธเจ้าโอ้ฉันดูมากไม่ค่อยได้ตาไม่ค่อยดีกลัวตาเสียเห็นไหมเวลามาดูพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่โอ้ยถหอมเต็มที่แต่ตอนไปดูวัสดกรรมเนี่ยโอ้ยเต็มที่คนๆนั่งตั้มตังอย่างเงี้ยนับทุกวันละพิณาคารทีนับแล้วนับอีกนับแล้วนับอีกเพ่งตาแล้วเพ่งตาอีกเนี่ยใช่ไหมโอ้ บางคนไปเรียนพวกวิชาทางตาวิชาทางโลกที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายท า, า, ย, ายท่าไหร่ใช้จนตาเสียเนี่ยมงคนโอ้โหใช้ตาหน้าสงสารสุดคนที่ไปต้องพวกทานายกับเกี่ยวกับเรื่องพูดภาสารใช้ตาไปเองดูคนอื่นทําชั่วหนูอินมันทำชั่วไงก็จับผิดเขาเ น, นี่ยนะไอตรงเนี้ผิดแน่นนต่างจ้องจ้องจนตาเสียแล้วก็มาตัดสินกคดีก็ก็เป็นธรรมแล้วประมาณนั้น โอ oh, นั่งโกจริงเนีเนี่ยการมีตาเนี่ยเขาใจะยังตาอย่างเดียวก็ไปที่ตั้งของชาติทุกไม่รู้จะทุกข์ยังไงแล้เคยวิจัยอย่างนี้บ้างไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะได้เห็นโอ้โหแค่ตาอย่างเดียวนั่งวิจัยได้เป็นวันวันสอวันนึงไม่จบไม่จบหรอกท่านวิจัยจนบรรลุกันหมดแล้วเรานี่เสียดวงตาไปไม่รู้กี่ล้านดวงตาแล้วยังไม่ได้อะไรเห็นอริยสัจเลยอ่ะใช่ไหมไม่เห็นอริยสัจเลยเห็นแต่วัตถุกรรม ดูตาบอดมันไม่รู้กี่คู่เลยใช่ไหมเนี๋ยก็บอดแล้วเดี๋ยวก็บอร์ดอีกเดี๋ยวก็บอดแล้ ว, ก, ลวก็ไปนะแสวงหาตาใหม่อีกก็บอดแล้วแสวงหาตาใหม่อีกโอ้โหนาสังเกตแท้ทำไมมันไม่รู้จะเบื่อตากันสักเพียเทียนะเอาน่าจะเบื่อมาตั้งนานนะี่เราไปดูวัตถุ ก, กรรมไปศึกษาวัตถุกรรมบางทีให้สงเกต ด, ดูนะแล้วจที่น้ า, นาหนักใจแล้วพอมี พอพอตนเองได้ขันใหม่มาทั้งขันหนึ่งที่เกี่ยวข้องในฐานะเป็นลูกเป็นหลาน้ชื่นชมตาใหม่แล้วโอ้ตาที่สวยเหลือเกินตาใสแปลบเลยก็ว่ากันอย่างมันคนเราจะรักกัมาบอกโอ้ยตาอย่างนี้นี่นะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเกิดขึ้นอีกแล้วใช่ไหมตาไปก็ไฟว่าชาติชราปยาที่เป็นต้นเหลนี้ก็จะตามท่านมาทําไมท่านไปชื่นชมตาอย่างนั้น อประหลาดใช่บางคนจะจากแล้วเห็นเขาทำตาเราห้อยหนูไม่มกล้าจับเพาะสงสารตาคู่นั้นนะไปแล้วมองกลับไปแล้วมองกลับไปอีกใช่ไหมเพราตาคู่นั้นะทําให้เราพลาดอีกเยอะใช่ไหมเขามองพอเขาทำตาเรห้อยเราห้อยหน่อยเราเชื่อหมดเลยตอนนี้ว่าจริงหมดเลยที่พูดมาเพราะเนตของพระเจ้ามองแล้วเราไม่เชื่อพระเจ้าไม่ออยอมศรัทธาพระเจ้าทุกี เนี่ยเราไปมองตาบุรุษชนเป็นอย่างเงี้ยเขายังไงป๊อฟนี่ อ, อ่ะมันถึงเป็นอย่างเงี้มัทุกข์ไงเวยาชายที่ทุกข์ชร า, า, าทุกข์พยาธิทุกข์ไอ้มองตาพระเจ้าให้แล้วให้อ่านให้ออกเนี่พยพระเจ้ามีพระเมตตามีกรุณาในเราท่านทั้งหลงายล้วไปมองตาคนมีราคาเขามองไปพวบนี้เอาเลยทีบางทีเรามองตาลูกเงินนานดีโผยหาเอาหรือต่อใดใครเคยมีโรคไหมได้มีหลานไหมได้ ใช่ไหมมพ่อมีแม่มีมองตาท่านนานถ้าอยากร้องไห้อะไรอววรเลยเคยอะไรอววรพุทเจ้าขนานั้นนี่แก่ตาอย่างเดียวที่เรามองนั่งวิจัยจะเห็นโอ้มันไม่เกิดเลยใช่ไหมตรง น, นี้ก็มาพิจารณาดูเออเรากาลังทําอะไรกันอยู่ถ้าเราถ้า้จะตายถ้ามีตาคู่นั้นมาเป็นอารมณ์ก่อนตายเราควรจะไปไหนก็ามาพิจรารณาเูอเราจะมีคติยังไง จะมีสุขติเป็นไปไหมเ อ, อ้ยทาไมต้องทําตัวเองขนาดนั้นเลยชีวิตมันก็ต้องเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วทาไมถึงไม่เกี่ยวข้องเดี๋ยวหน้าที่ให้ดีแต่ต้องมียึดไอ้ตรงนี้สําคัญมากต้องมียึดไม่ใช่เป็นสัานวนแค่พูดอย่างเดียวนะก็คือต้องมียึดก็หมายความว่าต้องหมั่นเจริญกุศลในที่สุดจริงๆเราก็รักษาตาคู่นั้นไม่ได้เลยไม่ได้ก็ตาเราเรายังรักษาไม่ได้เลย เขาจะเราจะจากาจะจากกันอยู่แล้วก็เป็นอนัตตาใช่ไหมมันไม่ใช่สัตว์บุคคลอะไรใดแล้วก็มองวิจัยดยูสิใช่ไหมมันประกอบไปด้วยอะไรในตาพูดใช่ไหมจากขุประสัดตั้งอยู่บนมหมาปุถุลูกคือดินน้ําไฟลมในนั้นก็มีสีกิรลโฉชาทาอาวิธโภครูปแปดจากขุปัสสัดอีกหนึ่งรวมเป็นเก้ามีชีวิตทั้งรูปหนึ่งเป็นสิบม้สิบรูปเท่านั้นแหละแล้วก็ยังมีศาสตรมภารจากขุคือที่ประกอบไปด้วย ธ า, า, หหาตุที่เกิดจากธาตุในมหาพูทธูปที่เกิดจากดินเกิดจากน้ำเกิดจากไฟเกิดจากลมทั้งหลายเนี้ยที่เกิดจากกรรมจิตอุตวอาหารต่งต близ, ตางๆก็รวมกันเป็นก้อนตากันไปและตาเหล่านั้นในส่วนที่เกิดจากกรรมก็มีกรรมเป็นปัจจัยส่วนที่เกิดจากจิตก็มีจิตเป็นปัจจัยส่วนที่เกิดจากอุตตุอาหารก็มีจิตอุตูอาหารเป็นต้นเป็นปัจจัยอะไรก็ว่ า, นนา ADA กันไปและในขณะเดียวกันก็ยังเชื่อมโยงเป็นอุปนิสัยปัจจัยข้ามข้ามปัจจัยกันเกี่ยวข้องกันยังไงอย่างนี้เป็นต้น เราก็จะเห็นโอ้เกิดจากปัจจัยทั้งนั้นก็ปัจจัยเหล่านั้นล้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและตัวจากขู่ประสาทเป็นต้นมันจะเที่ยงมันจะสุขมันจะเป็นอัตตาจะเป็นของงามเด็ดแค่ไพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงบอกไว้นะพระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระศาสดาพระองค์ทรงเป็นพระมุนีผู้ครอบงํามารทั้งหลายทั้งกิเลสมารนะ พระเจ้าในครอบนามเกเรสะมาลมาจูมานเทวปุตมาลอะพิสังขารมาลแล้วก็มาจูมาลเนี่ยขันธมานด้วยเนีพระองค์นั้นตรัสอนุสัยคือการมาราทานุใสปฏิคานุสัยมานานุใสอวิชานุใสเป็นต้นไม่สิ้นแล้วแล้วก็ข้ามพ้นเนี่ยนะทรงช่วยพามูสัตว์ให้ข้ามพ้นด้วยโอ้โหตรงนี้ยพระเจ้าข้ามพ้นจากอะไรโอคาเนี่ยการโมคาะโอคะทิถโอคาอวิโชคาได้แล้ว ก็ยังสามารถจะทำให้สัตว์นั้นข้ามพ้นจากการโมฆะโอฆาคือการทิศโอฆโอฆาคือทิถีคือความเห็นผิดพระโอฆะโอฆาคือพบทั้งหลายเนี่ยการมาพบอารมณ์พบอรมณ์พบเนี่ยอวิโชฆะโอฆะคืออวิชาคือความไม่รู้เนี่ยเนยพระองค์ทําให้สัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นได้ด้วยเมื่อพระองค์ข้ามได้นั้นเป็นปณิธานที่พระองค์ตั้งไว้ตอนเป็นพระวริสัตพระองค์ทรงก้าวล่วงอุปธิทั้งหลายก้าวล่วงขันไหย ก้าวล่วงกิเลสไหมก้าวล่วงสังขารด้วยอภยิสังขารเนี่ยแล้วก้าวล่วงกามมาคุณทั้งหลายเป็นกา ม, มูปะทีได้ทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ทํำลายอาสวะคือกามาสวะพวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชสวะได้แล้วพระองค์ทรงเป็นดุจสีหะสีหะคืออะไรคือราชสีนั่นเองไม่มีบาทานพระองค์ไม่มีกามูบาทานเนะี่ย ไม่มีที่ถูปาทานไม่มีอัตวาถุปาทานแล้วก็ไม่มีอะไรสี่รับปรตุปาทานเห่นไหมเรามีครบไหมเนี่ยครบเลยนาะการมุปาทานก็มีที่ไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือพี่พรับประตูปาทานก็พอๆจะกันๆได้บางบางครั้งบางครไม่ทรงมีอุปาทานทรงรักความกลัวภัยได้แล้วคนไม่มีโทสศัพไม่มีเงินตัดโทสศัได้เด็ดขาดเป็นสมุชเชต้าปังหัน ที่เรา ก, กลัวกันทั้งหลายนะั่คือโทรศัพท์อ้าวทำไล่นะกลัวเราจะจากกลัวลูกจะจากกลัวเพื่อนจะจากไอ้ความกลัวที่เป็นโทรศัพท์หมดเลยนะนี่ยที่กลัวกลัวว่าจะอยู่คนเดียวไม่ได้กลัวคนอื่นจะอยู่คนเดียวไม่ได้กลัวว่าเราเราไม่อยู่แล้วไม่รู้ท่านจะอยู่อับรนี่เป็นโทรศัพท์ <c oughs> นี่โทรศัพท์ แต่ก่อนนะที่ามา เ, เดินเดินจากบ้านใครๆกมองว่าหูใจด่ดำที่เป็นผ้ากไม่ได้ยหญ่ดถือบาทถือกรดถืออะไรกันเดินลงบ้านประมาณต้นสีทุกเดินรัดเอาที่มือเดินไปไปต่อไปบอกพ่อบอกยมพ่อว่าให้ท่านเลิกดื่มแล้วท่านบอกว่สังคม คุยก <ị> ันยังไงท่านก็บอกว่าอ้ยทำไม่ได้แล้วอยู่ในสังคมเข้าใจไหมท่านบอกก็ไม่เกิดไรแล้วกลยไมนกล้าไหนี่พระก็กายอย่างเดียวเดินออกจากพระเหลืองง่ายมากกเดินเข้ามาเหลืองยากก็คือว่า ก็เดินแต่ยิ่งตอนนี้เข้าใจก็นงินมาเยอเขบอกอย่างนั้นก็เลยบอกแกแล้แกก็บอกว่าก็เลยบอกแกบอกนั้นไม่เป็นไรวันใดโยมพี่ยิงแกยังไปส่งที่วัดหลวงพ่อไม่ได้ไปก็ะว่ามาบอกคือคือถ้าบอกแล้วแกรัดปากเขาจะอยู่ที่วัดแล้วจะมาินทับบอกรึเปล่า ถ้าแกไม่รับปากก็กล่าวว่าจะไปแล้วถ้าแก่ก็ไม่รับไม่รับปากเลยบอกนั่นก็วันไดโยมพ่อเลิกดื่มเลาก็ไมเจ็บถ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านนั้นก็ไม่เอาเจ็บแกบอกเอาอย่างนั้นเลยแย้ำบอกก็เอาอย่างนั้นเลยก็ตัดสินใจแล้ว <c oughs> ก็ลาทุกคนก็มองหน้ากันยิบเอาล้วก็อยต่จองไม่ต้องมีทา ง, ทางไป เดินลาดทุง่งไปเดินไปเรื่อยเดินมาทีแรกเนี่ยคิดยังไงรู้ไหมที่เราใจดำกับพ่อหรือเล่ใช่ไหมกัใจดำกับโยงข้ว อ, อเีล่นึกในใจไม่ใช่เราทำถูกแล้วถ้าไม่ทำอย่างนี้ท่านจรเลิกทาบาปไม่ได้แต่ถ้าทำอย่างนี้ท่านเจรเลิกทาบาปเนี่ยนี่เราก็ ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรืไม่เกี่ยวขอ้องโดยเลยเรามีสารานะนี่รามีพระศาสดาเรามีที่พึ่งเรามีเครื่องลงชัดครับเดินแถวไม่มาแล้วโทรมานัดนิดงๆกันนพอไปบ๊วยเราก็โุนตัดอะไรได้ทีไหนรึนึกใจเล็กๆเโอ้โหนึกในใจแต่ไม่เหลียวกลับหลังเลยเนะี่ยมาว่ ไอ้ลูกศรเนี่ยนะคำว่าไม่เหลียวในนี้นันบอกกับเราเราจะต้องมามาเนี่ยมีความรู้สึกว่าต้องเดิมาเลยคือมาที่บานแก็มาจริงๆทที่ตรงนี้เรามาหลายพศชาติใช่เดี๋ยวก็ต้องมาอยู่แล้วมันก็วนๆอยู่ดีแหลย่ไรก็ก็ปัดท่านี้สุดจริงๆท่านนะท่านยอมท่านยอมเลกจริงแต่หลายปีมากท่านก็ที่ีแรงมากเลย ขณะเป็นพอ่อก็เป็นเด็กเนี้ยเขามองท่านลองเราเป็นเด็กมองเราเป็นเด็กแต่ที่จริจริงเนี่ยะในการที่เราตั้งมั่นในวีธรรมนีน่อย่างพุทธิชนตั้งเลยแหละาไม่ต้งตั้งถึงขนาดแต่ใ น, นสือจริงๆก็ครบสามปีห้าปีท่านทนไม่ไหว้เราพยายามไม่องน้องติดต่เอเข้าเข้าไป กอไปที่แรกพิงถูสิพ่ อ, อ, อทำก็ท่านได้มันใจนะแต่โอ้หถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็แต่แต่กลับไปรู้สึกเราจะเราจะชื่นชมท่านเลยชื่นชมท่านเออใจท่านได้แตนี้ก็เริ่มบางงานเรื่เรื่างงาน เห้เวลาว่าแบบปุ๊บเนี่ยเราจะพยายามที่ว่าเมื่อไหร่จะไปท่านวาคนไฟบ้านเน้องพราพอลาปพบไปอยู่ไม่นานในาวันยามดีกว่าวันท้องนกลับโดยโปรยประเทศเหมือนเหมือนไม่รักแต่จริงๆริงักนี่ไม่รักแต่รักเพราะว่าท่านจะรู้ว่าจริงจิงเป็นห่มท่านพยายามดูแลหลายๆอย่างพยายามให้ท่านได้เจริญกุศลหลายๆอย่าง ได้อะไรต่างๆก็พยายามจะส่งไปให้ท่านฟังทำนี่ก็็ะถามด้วยหรือก็จะโทรทำด้วยนัก็เป็นอย่างนั้นแต่อย่างว่านะคนแก่คือคนแก่นะสภาพที่ท่านหลงลืมเราจะเห็นหน้ายาเยอะสภาพผมหงอกฟันหักหนังเหี่ยว ย, ยน่นนี่ปกตินยะหลงลืมสติปัญญาไม่ดีเลอะเลือ เห็นได้หรอท่านฟังทำไม่ได to like oh, well so hmm? ้คือฟังแล้วใจจะจ่อไม่ท่านต้องทําอย่างที่บอกต้องทํางานไปด้วยคือใจท่านมันทิ้งวัตถุกรรมไม่ได้ีขนาดนั้นโอ้โหคือท่านไม่ได้ฝึกมาไม่ได้ฝึกที่จะฟังมาอย่งตอนนี้จิตมันต้องดิ้นรนเนี่ยริวิวใช่ไ้มท่านก็ต้องดิ้นรนแล้วท่านฟังนานได้ที่ไหนฟังแล้วเหมือนใจจะขาด แต่ถ้าวัตถุกกรมนดูได้ทั้งเป็นวันเลยก็เป็นเรื่องปกติเลยนีโอ้โหถ้าเราลองไม่ฝึกแต่เดี๋ยวนี้สิใจเรานะ่มันจะน้อมไปทางโน้อนอยู่แล้วลองไปนั่งคุยกันิเพลินแป๊บเดียวดูเหมือนจะสุ